ไม่ได้พูดกับชาวบ้านธรรมดาแต่ผมไม่เคยใส่อารมณ์ถึงผมจะเถียงก็เถียงกันด้วยเหตุผลเพราะนึกอยู่เสมอว่าเรามาทางานถวายหลวงตาช่วยให้คนหมู่มากมีโอกาสได้ทาบุญจะมาทำอะไรตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตัวอย่างในอาเภอแบบนี้มีมากผมจําได้ไม่หมดแต่มีที่พอจําได้ก็ตอนไปจันทบุรีผมไปครั้งแรกในอาเภอท่าใหม่ไม่ยอมให้แจกต้นภาพป่า